เมื่อเช้าอาจารย์โซเินได้พูดถึงท่านฮากุอินซึ่งถูกชาวบ้านต่อว่าข้อหาว่าไปทำลูกสาว้อท้องนะและท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็เพียงแต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นหรือ ตอนหลังชาว บ, บ้านรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วลูกสาวเขาท้องกับคนอื่นก็มาขอโทษแล้วก็ยังพูดจายกย่องท่านอากุอินว่าเป็นพระที่ดีนะมันคงไม่หวั่นไหวท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เพียงแต่พูดว่าอย่างนั้นหรือ เรื่องนี้นี่ก็ยังมีแง่คิดต่อไปว่าทำไมท่านหากุอินไม่ชี้แจงความจริงว่าไม่ได้ทำผู้หญิงท้องนะทำไมท่านยิ่งเงียบแล้วก็พูดแต่เพียงว่าอย่างนั้นหรือเพราะว่ายิ่งไปส่งเสริมให้เขาเกิดความเข้าใจผิดอันนี้ก็ ก็มีเหตุผลนะเพราะท่านทากูอินก็คงจะรู้ว่าชี้แจงไปเขาก็คงไม่ฟังเพราะว่าเขาเาชื่อเต็มหัวใจแล้วว่าเนี่ยว่าท่านทากูอินไปทำผู้หญิงท้องนะพูดไปขก็คงปฏิเสธไม่ยอมรับเพราะคิดว่าธรรมดาของคนที่ ทำชั่วนี้ก็ย่อมปฏิเสธอยู่แล้วทาเขาท้องก็ต้องปากแข็งปฏิเสธท่านรา ก, กุยก็คงรู้ว่าพูดไปก็สองภัยเบี้ยสู้นิ่งเสียดีกว่าการทํานองนี้ก็เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันอย่างพวกเราคงจะทราบดีแล้วว่า ก็เคยโดนานางจินจมานนาวิกาเนี่ยใส่ร้ายนัเธอก็ออกอุบายที่จริงอุบายนี่ก็มาจากพวกกลุ่มปริพาชกที่อยากจะทําร้ายชื่อเสียงพระพุทธเจ้าก็ให้นางจินจมานนาวิกาเนี่ยไป ท, ทําทีเหมือนก็ว่าสนิทสนมกับพระพุทธเจ้าก็คือไปวัดเชตะวัน บ, บ่อยๆ เวลาชาวบ้านเขาถวายจังหันเสร็จเดินออกมาจากวัดก็เห็นนางจีนจนทจินจามาวิการเนี่ยเดินเข้าวัดไม่ใช่ตอนเชา้าเนี่ยตอนเย็นด้วยพอลุ่งเช้าชาวบ้านเขามาวัดเพื่อใส่บาตรก็เห็นนางจีนจามาวิการเนี่ยเดินออกมาจากวัดเชตวัน ก็ทำให้มีพิรุษทำทีเหมือนก็มีพิรุษนะสุดท้ายก็แกล้งว่าท้องทีลนิดเทเลนิตสองเดือนสามเดือนก็หาผ้ามาพันท้องผ่านไปผ่านไปท้องก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนถามว่าเธอท้องกับใครจิตตมานวิกากบอกว่าท้องกับพระ เ, เจ้าชาวบ้านก็เริ่มนินทา เพราะเชื่อนางจินยมาวิกาก็ก็รือกันนะแล้วก็กล่าวตำหนิพระ เ, เจ้าตอนหลังก็ไม่ใช่ตาหนิแต่พระ เ, เจ้าก็กล่าวดา ว, ว่าอ่าพระสงค์ในวัดเชตวันด้วยเรื่องนี้พระองค์ก็รู้นะแต่พระองค์ก็เงียบนะไม่ได้ชี้แจงอะไร จนกระทั่งท้องนางจินจะมาวิกาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะพอครบเก้าเดือนก็มาครานี้มาที่วัดเลยนะคนเยอะมากนะเพื่อมาฟังธรรมพระเจ้านางจินจะมาวิกาก็พูดกับพระเจ้านะเรียกว่าแบบต่อหน้าที่ประชุมเลยบอกว่าทำไมไม่รับผิด ช, ชอบเธอนะทำเธอท้องนี่เก้าเดือนแล้วนะลูกกจะจอกมาแล้วนะ ท้าไม่รับผิดชอบหรือไม่ช่วยก็ให้ลูกศิษย์มาจัดการให้ก็ได้เช่นสร้างบ้านให้ให้ลูกได้พักได้อยู่ได้อาศัยพูดอย่างนั้ น, นผู้เจ้าท่านก็ฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดสั้นๆว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีแต่เธอกับเราเท่านั้นที่รู้ความจริงนะพระองค์ก็ไม่ได้อธิบายขยายความ ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ชี้แจงนะพูดสั้นๆแค่นี้นางจินมาวิกาก็ก็บอกเสียงแงะล้นะเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในห้องในหับแล้วก็มีแต่เราด้วยกันนะที่รูนะ้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ปรากฏว่าเธอก็โกรธมากนะใช้อารมณ์โตเถียงก็คงจะเพราะว่ า, าโกรธมากนะ ไอ้ผ้าที่พันท้องเนี่ยมันก็เลยหลุดนะความก็เลยแตกนะว่าจริงๆแล้วนางไม่ได้ท้องอนี่ก็เป็นแง่คิดนะและ้วแง่คิดนแง่ที่ว่าพระองค์ทำไมไม่ไม่ชี้แจงนะความจริงหลังจากนั้นก็เกิดกรณีแบบนี้อีกนะคราวนี้หนักนะเพราะว่า ถึงกับมีคนตายนางสุนทรนะีเป็นปริภาชิ ก, กาก็พยายามที่จะใส่ร้ายพระเจ้าเหมือนกันก็มาทำทีใกล้ชิดมาวัดเชตวั น, นเสร็จแล้วเนี่ยก็โดนซ้อนแผนอีกทีเพราะว่า พวกกลุ่มปริพาชกเนี่ยก็จัดการฆ่าสังหารนางแล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ใกล้ๆกล้กุฏิพระ เ, เจ้านะพอมีคนพบศพเนี่ยก็ลือนเลยนะว่าพระเจ้านี่ไปลื่นลมอภิรมกับนางสุนทรีแล้วก็ฆ่าปิดปากนะคนสาวัถีก็เชื่อนะ ทั้งที่พระเจ้านี่สอนทำแสดงทำที่เมืองนี้มาสิบกว่าปีแล้วแต่พอมีคนลือแบบนี้เข้าคนก็เชื่อเลยพระเจ้าอยู่เบื้องหลังการฆ่านางสุนทรีผู้คนก็ดา่าด่าพระด่าพระพุทธเจ้านะทั่วทั้งเมืองเลยพระสงฆ์ก็นรร้อนใจมากนะ อย่างพระนรินก็ทูลทูลให้พระองค์เนี่ยได้ออกจากเมืองนั้นไปแต่พระองค์ก็ปฏิเสธแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ชี้แจงนะนิ่งพระองค์บอกว่าเนี่ยให้นิ่งสักเจ็ดวันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เงียบสงบเองแล้วก็ปรากฏว่าในสุก็เงียบสงบจริงๆเพราะว่าไอ้คนที่ฆ่านางสุนทรีเนี่ยก็มันเมามันทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็ก็เลยก็เลยเปิดเผย กลางวงว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่านางสุนทรีความก็เลยแตกถูกจับได้ก็สำเร็จโทษพอความจริงปรากฏนี่ชาวบ้านชาวเมืองซึ่งเคยด่าว่าพระเจ้าก็คราวนี้กลับมาชื่นชมสรรเสริญพระองค์นี่หนักแน่นมั่นคงนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสองตัวอย่างนี้ก็ถ้าเราฟังดูก็น่าคิดตอบว่าเอ๊ะทาไมพระองค์ไม่ไม่ชี้แจงความจริง ขนาพวกเรานี่โดนโดนดินทาว่าร้ายเราก็ยังอยากจะชี้แจงเลยใช่ไหมแต่ว่าพระองค์นิ่งเงียบทั่านที่ข้อหาก็ไายแรงนะทั้งทงผู้หญิงทองทั้งฆ่าผู้หญิงอันนี้ก็ถ้าเรามองดูก็ก็คงเป็นเพราะว่าพระองค์เนี่ยรู้ว่าในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ชี้แจงไปเขาก็ไม่ฟังนะเพราะว่าคนเนี่ยยังมีอารมณ์ที่รุ่มร้อน บางครั้งนี่การนิ่งเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะทานากุยอินก็ใช้การนิ่งพระรูปเจ้าก็ใช้การนิ่งไม่หนีนะแล้วก็ไม่หนีแต่ขณะเดียวกันก็ไม่กล่าวแก้แต่ใช้วิธีการที่นิ่งเพราะว่าในบางสาการในการทำอะไรมันกลับกลายเป็นการเพิ่มปัญหาหรือทำให้เหตุการณ์เวลวร้ายลง ให้การใช้ความนิ่งสยบความวุ่นวายนี่เป็นเรื่องที่เป็นศิลปะที่ต้องรู้จักใช้นะพอส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบนะใครเขาใส่ร้ายเราเราก็ด่าเลยแล้วก็เถียงเลยนะทั้งที่บางทีมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้อนมากขึ้น มีตัวอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าความนิ่งเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยอันนี้เป็นเรื่องของทหารอังกฤษทหารอังกฤษเนี่ ย, ส ม, ยสมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยก็เคยไปไปไปอยู่ที่ประเทศพมา่พมาพม่าเป็นที่เคยเป็นของอังกฤษต่อมาทหารญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองพมา่าอังกฤษก็สู้นะแต่ว่าสู้แบบสู้ไม่ค่อยไหวทหารอังกฤษคนที่คนนี้เนี่ยเขา เข้าไปเป็นทหารลาดตระเวนในป่าเพื่อต้านทานการบุกลุกของทหารญี่ปุ่นอัทเยยดวนันหนึ่งก็พวกลาดตระเวนก็มาแจ้งข่าวกับหัวหน้าก็คงยศระดับร้อยร้อยเอกร้อยโทนะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีทหารญี่ปุ่นเป็นกองทัพเลย แล้วก็โอบล้อมไว้ทุกด้านพอเจอแบบนี้จะทำยังไงตัวทหารอังกฤษคนนี้เนี่ยที่เป็นลูกน้องเนี่ยก็คิดว่าต้องสู้นะเพราะว่ายังไงเนี่ยดีกว่าตายเปล่าเนี่ยถ้าสู้นี่ก็อย่างน้อยก็ได้ฆ่าคนฆ่าทหารญี่ปุ่นบ้างนะไม่มากก็ น, น้อยแต่ปรากว่าหัวหน้านี่ กลับบอกให้อยู่นิ่งๆนะแล้วก็ไม่ได้บอกให้อยู่นิ่งๆเปล่าๆนะให้ชงชากินกันด้วยลูกน้องก็ไม่พอใจไว้ทำไมเราไม่สู้นะชายชาติทหารยังไงก็ต้องสู้นะถึงแม้ตายก็ไม่ไม่ไม่เสียไม่เสียเกียรติยศนะแต่ว่าหัวห น, น้านี่ทำไมกลับให้ลูกน้องเนี่ยอยู่นิ่งๆ แถมชงชาซะด้วยยังไงก็ตามลูกน้องก็ทำตามนะก็ชงชากินรอนะรอปรากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทหารกองทัพญี่ปุ่นนั้นก็เดินผ่านไปก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนนี่ก็ลอดตายตอนหลังไอ้คนที่เล่านี่เขาก็มาได้ความคิดว่าเออหัวหน้านี่ฉลาดนะเพราะว่า สู้ไปมันก็ตายเปล่าบางครั้งเนี่ยการการไม่ทําอะไรเลยการอยู่นิ่งๆอาจจะดีกว่าแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งเป่าๆแล้วก็ไหนๆเราเตรียมเตรียมรับอันตรายแล้วก็ชงชานะดีกว่าจะมานั่งกังวล น, นั่งเครียดนะว่าชงชากินเตรียมพร้อมใครจะก็ต้องเตรียมพร้อมเลยถ้าเขามาก็ลุยกัน อันนี้ก็เห็นได้ว่าเนี่ยไอ้การนิ่งเนี่ยมันในบางสาการนี้ก็จําเป็นในการทำโน่นทํานี่กับกลายเป็นปัญหาอย่างเช่นเรือนี่เรือเล็กๆเนี่ยมันเจอพายุนะแล้วก็เรือก็ดันรั่วด้วยนะถ้าคนในเรือตื่นตกใจนะต่างคนอยากทำโน่นทํำนี่ เหลือก็ความง่ายในสถานการณ์อย่างนั้นบางทีการอยู่เฉยๆยังจะดีสั ก, กว่านะใครที่อยู่ใกล้รู้ลก่ก mm. ็ก็ซ่อมไปไอ้ใครที่อยู่ไกลก็อยู่นิ่งๆไอ้ความที่อยากจะทำโน้นทำนี่กับกายเป็นปัญหาในบางสถานการณ์อย่างเช่นเวลาคนใกล้ตายก็เหมือนกันนะคนใกล้ตายเนี่ยอย่างเช่นคนที่เรารักเป็นพ่อเป็นแม่กำลังจะตาย หลายคนนี่แทนที่จะให้ท่านตายสงบนะกับบอกให้หมอทำโน่นทำนี่เจาะคอบ้างใส่ท่อบ้างทำอะไรบ้างซึ่งยิ่งทำไปก็ทำให้ท่านทุกทรมานบางทีหมอก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าคนแค่จะตายแล้วเราต้องอยู่เฉยไม่ได้ต้องทำโน่นทำนี่ปั๊มมั่งปั๊มหัวใจบัง่งใส่ยาเพิ่มความดันบัง่ง ซึ่งยิ่งทําก็ยิ่งทําให้คนไข้นี่เขาทรมานแทนที่ให้เขาไปอย่างสงบก็เปล่าเสร็จแล้วก็มาเสียใจยภายหลังว่าเราไม่น่าเลยนะลูกหลายคนก็เสียใจยทําไมไม่ให้แม่หรือให้พ่อไปสงบนะทาไมต้องทำโน่นทํานี่ด้วยนี่เพราะว่าไม่รู้จักนิ่งไม่รู้จักปล่อยวางนะให้เราก็เวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ให้ลองใช้สติใช้ปัญญา นะอย่าคิดแต่จะทำโน่นทำนี่อย่างเดียวการไม่ทำอะไรบางทียังเป็นการดีสักกว่า